สิกขาบทวิพัง1น8่งพัคำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษณุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าผู้ไม่เป็นไข้คือผู้ที่ขาดร่มและรองเท้าก็ยังมีความพาสุ ที่ชื่อว่าผู้เป็นไข้คือผู้ขาดร่มและรองเท้าย่อมไม่มีความผาสุกที่ชื่อว่าร่มได้แก่ร่มสามชนิดคือร่มขาวร่มลำแพนร่มใบไม้ที่เย็บเป็นวงกลมเย็บเข้ากับซี่คำว่ากั้นสวมคือพิกษณีกั้นสวมแม่ครั้งเดียวต้องอบัติปาริจิตี